ตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานสินหลวงพ่อเองไปนสถานที่ต่างๆก่อนที่จะให้สินโดยมากจะทำความเข้าใจกับศรัทธายาจโยมผู้ที่มารับสินเป็น เ, เบื้องต้นก่อนเพราะพวกเราก่อนที่จะรับสินพวกเราถือมาตั้งแต่โบ ร, โบราณเวลาศ ร, รัทธายาโยมอาราธนาสินอย่างเมื่อกี้เนี่ยพระเถระผู้ใหญ่ ที่ท่านเป็นประธานให้สินทั้งกอให้สินไปเลยโดยมากจะไม่ค่อยได้อธิบายสินนั้นมีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรทำไมจึงรักษาสินทำไมจึงรับสินเวลาทาพิธีทำไมไหว้พระเสร็จแล้วทำไมจึงรับสินสินนั้นสมควรแก่ใครจะเป็นผู้รักษารักษาไปเพื่ออะไร สิ่งเหล่านี้ถ้าคนยุคใหม่สมัยใหม่เด็กสมัยใหม่เขาจะต้องถามหาเหตุผลเพราะนั้นคนรุ่นเก่าจะทาถือหรือ ว, ว่าทำเป็นพิธีพารรมมาเรื่อยๆผู้เฒ่าผู้แก่พาธรรมมาแล้วก็พวกเราก็ถือมาแล้วก็ถือไปไปเรื่อยอย่างนี้หลวงพ่อว่าน่าจะอธิบายเป็นบางครั้งไม่ใช่ทุกครั้งไปในสถานที่ หลวงพ่อไม่เคยไปเรื่องนานๆอย่างงานศพท่านรองวินในวันนี้หลวงพ่อว่าผู้ที่มาในงานศพก็คงจะมาจากจา ก, จา ก, จากตุวทิ์มาจากหลายแห่งหลายหนควรจะทำความเข้าใจเรื่องสินชะก่อนก่อนจะรับไปอันดับแรกหลวงพ่อจะพานำว่านโม นโมตัสสะพระคาวตัวรหัสตสัมมาสัมพุทธะความหมายก็คือข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้คือว่านโมสามจบความหมายก็คือข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือก่อนที่เราจะรับสินเราขอนอบน้อมต้นศาสดาต้นพระศาสนาต้นความคิด ที่พวกเราจะรับสินนั้นคือใครเป็นคนคิดใครเป็นประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นผู้แนะนำเป็นผู้เผยแผ่แล้วพวกเราเห็นคุณค่าอย่างไรพวกเราจึงรับสินอันนี้เรากึงของนอบน้อมพระพุทธเจ้าคือต้นพระศ า, าสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาก่อนจากนั้นเราก็ยึดพุทธังทำมังสังขงัสาา ง, ขงสาระนัาางคัจฉามิดูติยามปีพุทธังทำมังสังขงัสาา ง, ขงสารนังคัจฉามิ ตาติยามปิพุทธังธำ ม, มังสังขังสรนังคดฉามิยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งถึงสมครั้งดุติตาติคืออันดับแรกคือพุทธทงังคือพระพุทธเจา้าข้าพรเจ้าขอนอบน้อมหรือว่ายึดพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งดุติยามปิพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนอย่างศินห้าอย่างเนี้ยก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้า พวกเราเห็นว่ามีเหตุมีผลสมควรอย่างยิ่งชุมชนสาธุชนคนในโลกต้องการความสุขความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขต้องเป็นผู้มีสินอันนี้คือพระธรรมคำสั่งสอนจากนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้นำพระธรรมคำสั่งสอนออกมาเผยแผ่มาขยายผลมาแนะนำให้พวกเราท่านทั้งหลายให้รู้จักคุณค่าเรื่องของศีลและธรรมแล้วพวกเราจะ จึงได้นําพระธรรมคําสั่งสอนหรือลัทธศีลของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติถ้าจะว่าไปแล้วศีลคือกฎระเบียบคือพระวินัยหรือว่ากฎระเบียบหรือกฎหมายคนที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขได้ต้องมีกฎต้องมีระเบียบถ้าว่าคนอยู่ด้วยกันไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีกฎหมายคุ้มครอง มนุษยชาติก็เหมือนกับสัตว์ป่าตัวไหนมีกำลังตัวไหนมีอำนาจตัวไหนมีกำลังก็คมคู่ตัวอื่นๆมนุษย์ก็ไม่แพ้กันเพราะว่ากิเลสในจิตใจของมนุษย์ชาติชอบใหญ่อยู่แล้วชอบวางหมาดอยู่แล้วถ้าว่าใครมีอานาจก็จะต้องเบียดเบียนคนอื่นเขาถ้าหาว่ามีกฎหมายมีกฎรละเบียบมีศีลคุ้มครอง ใจเขาใจเราความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมนั้นๆเพราะนั้นในครั้งพุทธกาลจึงมีสินห้าพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินห้าให้แก่ศรัทธายาตโยมได้รักษาได้ปฏิบัติหลวงพ่อจะได้ชี้แจงอธิบายให้ฟังว่าสินข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีศิขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าการฆ่าคนอื่นเขา เราก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะว่าเราไปฆ่าเขาแต่ว่าเขาที่ถูกฆ่านั้นเขามีความรู้สึกอย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาจะมีความทุกข์ใจมากน้อยแค่ไหนเมื่อคนอื่นมาฆ่าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกฆ่าหลานของเราฆ่าวงศาคณาญาติของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรแต่เมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็คงจะทุกข์ใจในเมื่อเขามาฆ่าเราเราก็ทุกข์ใจ เหมือนกันพรนั้น พ, พระพุทธเจ้าท่านเห็นคุณค่าว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีเพราะเหตุ น, นั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันดีไหมนี่แหละสินข้อที่หนึ่งคือสรุปแล้วก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาอย่าฆ่ากันเนี่นี่คือสินข้อที่หนึ่งถ้าเราพิจารณาโดยเหตุและผลพิจารณาด้วยสายตาอันยาวใจเขาใจเราแล้วจะฆ่ากันไม่ลง พ่อเขามาฆ่าเราเราก็เสียใจอย่างมากฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกฆ่าเมียของเราเราก็เสียใจอย่างมากเมื่อเราไปฆ่าเขาก็เช่นเดียวกันเพคอะดันให้เคารพขีดซึ่งกันและกันดีไหมอันนี้คือสีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาเว ร, รมณีการขโมยของคนอื่นเขาของเขาเขาก็รักสงวนหวงเหนถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจ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 ข้อที่สี่มุสาวาทาเวรามณีการโกหกหลอกลวงต้มตุนเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงโกหกเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะต้มตุนโกหกหลอกลวงมีหลายวิธีเอาของปลอมเอาของอะไรไปหลอกไปล่อให้คนอื่นเชื่อแล้วก็ต้มตุนเขาอย่างนี้ถ้าเขามาทําให้แก่เรา เราก็เสียใจถ้าเราไปทำไม่แก่เขาล่ะเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะเหตุนั้นสินข้อที่สี่ของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้เป็นสินที่ควรศึกษาทุกๆข้อและก็บสินข้อที่หสุราเมระยะมัชฌะประมาา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบีย คือห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าและเบียร์คือของมึนเมาทุกวันนี้มีหลายยายาบ้ายามาคัญชายาฝิ่นจัดเข้าประเภทเป็นของมึนเมาทั้งหมดเพราะาดื่มเข้าไปทานเข้าไปแล้วทําให้สมองวิปริตเพราะฉะนั้นจัดเข้าเป็นของมึนเมาจัดเข้าเป็นสุราทั้งหมดอย่างพวกกาวอย่างนี้โดมกาวอย่างนี้ก็จัดเข้าเป็นประเภทสุราเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มสุราเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เมื่อคนดื่มสุราแล้วก็ทําให้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วสามารถที่จะทําความชั่วดีทุกอย่างเพราะคนขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าวันยับยั้งไม่อยู่เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการดื่มสุราเนี่เป็นอันตรายต่อชุมชนต่อสังคมต่อโลกอย่างมากท่านจึงบัญญัติศินข้อที่หอย่าดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าเราคิดดูให้ดีแล้ว สินข้อที่ห้านี่มันเป็นพิษภัยต่อข้อที่หนึ่งด้วยถ้าดื่มสุราเข้าไปแล้วสามารถที่จะฆ่าใครก็ได้ทั้งหมดฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียอย่างพวกเราเห็นในสื่อต่างๆเพราะคนดื่มสุราเมื่อดื่มสุราสามารถที่จะทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะขาดสติข้อที่สองอธินาทานก็เหมือนกันถ้าคนขาดสติแล้วสามารถที่จะขโมยของใครพอได้เพราะฉะนั้นสินข้อที่ห้านี่ มันเป็นพิษภัยต่อข้อที่หนึ่งที่สองที่สามเออที่สี่ด้วยสามีภรรยาของใครคนลาบละ ล, ะ ล, ะลวงได้เพราะเหตุใดเพราะว่าคนขาดสติข้อที่สี่โกหกใครก็ได้เพราะคนขาดสติเพราะฉะนั้นข้อที่ห้าสินข้อที่ห้าเป็นสินสินอันตรายข้อหนึ่งเพราะว่าดึ่มเข้าไปแล้วขาดสติคนขาดสติสามารถที่จะทําความชั่วในทุกอย่าง เพราะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าพวกเรามาพิจารณาวิเคราะห์ดูแล้วสมควรให้แก่บุคคลผู้ใดเป็นผู้รักษาศีลคนอยู่ในวัดใช่ไหมคนเฒ่าคนแก่ใช่ไหมหรือคนที่เรียนรู้เรื่องหลักธรรมใช่ไหมเป็นผู้ควรสมควรรักษาศีลถ้าจะว่าไปแล้วถ้าหากว่าประเทศชาติบ้านเมืองคนในชุมชนใดต้องการความสุขความสงบพร้อมเย็นเป็นสุขสมควรอย่างยิ่ง ทุกคนจะต้องรักษาสินแต่ถ้าหาว่าคนไม่รักษาสินแล้วคนอยากจะให้ตัวคนอื่นรักษาสินแต่คนกลุ่มหนึ่งไม่รักษาสินคนที่กลุ่มไม่รักษาสินนั่นแหละจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนวุ่นวายเพราะฉนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเราวิเคราะห์พิจารณาให้ท่วนถีแล้วมีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนและสังคมเพราะฉะนั้นวันนี้พวกคณะสัตย า, าติโยมรู้แล้วว่า ศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทุกๆคนเป็นผู้จะต้องรักษาศีลไม่ฆ่าคนอื่นไม่ขโมยของคนอื่นไม่ทำประพฤติผิดต่อลูกเมียของคนอื่นไม่โกหกคนอื่นและไม่ดื่มชราเพราะนั้นหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลต่อไป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 วันใจน้ำโสมนายุงมานั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อใ้ด้วยวันนี้หลวงพ่อจะกล่าวเกินความเป็นมาคือหลวงพ่อเองพอทราบข่าวก็รู้สึกเสียใจกับคุณนายและก็ลูกหลานญาติพี่น้องของ พันตำรวจโททวินลอยสายออกพราะหลวงพ่อเองกับท่านรองทวินเนื้อรู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างมากเพราะท่านไปอยู่ที่อำเภอนายูงะนะยหลายปีจากนั้นท่านก็ได้นําลูกชายของท่านไปบวชกับพระอุปชาและกัหลวงพ่ออยู่ที่วัดหลวงพ่อด้วยและรู้จักท่านเป็นส่วนตัวอย่างสนิทสนมถ้ามาพบกันที่ใด ก็จะได้ถามไทยว่าเป็นไงสุขสบายดีอท่านลองอลองวินออแต่ว่าอายุของท่านกับหลวงพ่อเนี่ยก็คงจะคู่เที่กันเหมือนกันนะหลวงพ่อ ก, กเกษียณอายุมาสามสี่ปีแล้วหลวงพ่อนี่ยกเกษียณอายุแล้วนะไม่ใช่พระน้อยพระหนุม่มนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเอาอายุหกสิบสี่ปีแล้วปีนี้เอกเกษียณอายุมาสี่ปีแล้วกั้นเ่ะ เพราะนั้นลองบินเนี่ยหลวงพ่อเคยคิดว่าคงจะใกล้เคียงกับหลวงพ่อเพราะทั้งเกษียณอายุมาเพราะทั้งเวลาไปมาหาสู่รล้ว่าบหลวงพ่อมาอำเภอณัมโสมมาเจอในงานต่างๆหลวงพ่อกระถามถาไถยเป็นไงลองสบายดีหลวงพ่อก็จะได้ถามอันนี้คือเป็นสนิทสนมเป็นส่วนตัวแล้วก็ทางอำเภอณัมโสมของเราจะเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนายอำเภอ โดยมากก็พวกเรากออยู่ในกลุ่มอันเดียวกันไปมาหาสู่กันใครเป็นใครก็รู้เรื่องกันได้ดีแต่นี้เมื่อทราบว่าท่านรองวินแมวมรณาภาพแล้วหลวงพ่อเอาทำไมสาเหตุอะไรเขาก็บอกว่าเป็นโรคที่เกิดใหม่คือโรคชีหนูว่างั้นนะตามหมอที่เขาพูดให้หลวงพ่อฟังออบอกว่าเป็นสายใหม่มันขึ้นสมอง เพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะออให้ระมัดระวังไว้เหมือนกันนั่นน่ะ อ, อวิธีการรักษาคืออะไรทา่านบอกวให้เวลาจะเข้าป่าให้สวมรองเท้าบูดตรงเนี้ยแต่เสียเปียบอย่างเดียวพระเนี่ยสวมรองเท้าบูดก็ยังไงยังไงคงจะใส่ไม่ได้อีกเหมือนกันเหมือนกันแต่อ อ, อย่างมากก็ได้สวมรองเท้าแต่ถ้างวัดวัดหลวงพ่อเย็นิสพระหลวงสวมรองเท้าบูดทุกองหนึ่งเขาโอ้วัดหลวงพ่อเย็นนี่แปลกจะว่าอย่างนั้นพี่เอกล่ะออ แล้ทำยังไงล่ะทีนี้เออเห็นแล้วก็โอ้หลวงพ่อได้ยินแล้วก็เออสลดจังเวทใจกับญาติโ ย, ยมผู้อยู่ใกล้ชิดที่หลวงพ่อรู้จักมักคุนทั้งครอบครัวของท่านด้วยทั้งตัวส่วนตัวของท่านด้วยแต่ถึงยังไงได้ในหลักของพระพุทธศาสนาท่านก็ไม่ได้วา่าอายุแก่ซะก่อนนะค่อยเจ็บค่อยตายนะท่านก็บาอย่างนั้น ชีวิตของคนเราทุกคนไม่ได้เลือกว่าอายุแก่ อ, อายุหนุ่มเหมือนกับผลละหมากรากไม้อย่างมะม่วงอย่เนี่เป็นดอกเล็กๆหล่นก็ได้หล่นก็มีโตขึ้นมาหน่อยนึงหล่นก็มีแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาจนเป็นรูปโตแต่ผลที่สุดมะม่วงต้นนั้นไม่เคยข้ามปี ถึงกําหนดแล้วก็หล่นล่วงทุกใบอันนี้ผมเหมือนกันคนเราเกิดมาในโลกกอ ย, อย่างนี้แหละจะทํำยังไงได้แต่จะเสียใจก็มีแต่เสียใจแต่จะทํำยังไงได้ก็ต้องทําใจเพราะงั้นเต้องทําใจเพราะสิ่งเหล่านี้เสมอภาคกันทั้งหมดไม่ว่าท่านว่าเราเแต่วันนี้ก็เห็นคณะสัทธา ญ, ญาติโยมที่มาร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพ คราวนี้ก็รู้สึกว่าหลวงพ่อเห็นแล้วก็ อ, อุ่นหนาฟ้าข้างทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายคณะสัทธาญาติโ ย, ยม เ, ยเบื้องต้นก็ได้กราบปราธนาให้หลวงพ่อเป็นผู้ให้ศินตอนนี้ไปก็หลวงพ่อ ก, ก็จะแสดงธรรมระนัดดี น, นะถี่ว่านหลวงพ่อคงจะพูดเป็นนานอากาศ ร, รู้สึกว่าร้อนๆเหมือนกันนะคณะรัทธาญาติโ ย, ยมก็คงจะร้อนเหมือนกันกับหลวงพ่อแต่ตั้งใจฟังช่วงระยะหนึ่ง จากนั้นก็คงจะมาขอพิธีในทางศาสนาต่อไปนาโมตาาัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตาาัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตาาัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาอันตะลิเขนสมุทธะมัชเชยนาปภะชาตังวิวรังปัวีสังนวิชติโสชราคติปะเดสโสยัตธารัทธิตังนับประสันเนยหะนับประสันเนยยะมัจจุ อันนี้คือพระบาลีที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นเบื้องต้นแปลในพระบาลีนั้นว่าจะอยู่ในอากาศจะอยู่ในสมุนจะเข้าไปอยู่ในหลือเขาก็ไม่พ้นจากความตายประเทศคือความตายไปไม่ถึงไม่มีอันนี้คือพระบาลีที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นแล้วก็วันนี้ นับว่าเป็นวันสลดสังเวชใจอย่างมากสำหรับคณะสัทธาญาติโจมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณนายและพวกลูกหลานของท่านลองหวินพันโททวินรอยสายออที่ม ร, มรณะภาพลงแต่ทำยังไงได้อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว ชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนคำว่าคำตายความนี้คานี้เป็นคำที่เสมอภาคกันไม่มีใครที่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเป็นเพียงแต่ว่าไปก่อนไปหลังเท่านั้นเองอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อกขคงจะเดินตามหลังลองฝินไปอีกเหมือนกันหลวงพ่อไม่คิดว่าหลวงพ่อจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อจะต้องเดินตามกันไปเรื่อย ตั้งอยู่ในอประมาณนธรรมคือไม่ตั้งอยู่ในความประมาทให้เตรียมพร้อมหอลวงพ่อเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอเพราะเหตุใดจึงว่าเตรียมพร้อมเพราะหลวงพ่ อ, อได้อย่างที่พระพุทธเจ้าที่บัญญัติในหลักธรรมคำสั่งสอนว่าดูก่อนอานนท่านระลึกถึงความตายวันได้กี่ครั้งพระนอาบนท์ก็กล่าบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าประมาณวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะ พระพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังประมาทอยู่อานนลควรจะคิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายอันนั้นแหละจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะฉนั้นพวกเราคณะศรัทธาญาติโยม อ, อย่างน้อยก็ให้ะระลึกถึงความตายของตนเองไว้ก็ดีเหมือนกันเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงให้ะระลึกถึงความตายเอาไว้ ถ้าว่าคนไม่ระลึกถึงความตายของตนเองคนคนนั้นจะถ้าโลภก็จะโลภมากถ้าโกรธก็จะโกรธมากถ้ารักจะหลงก็จะรักจะหลงมากถ้าร ะ, ะลึกถึงความตายไปอยู่เสมอว่าชีวิตของข้าไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งข้าพระเจ้าจะต้องไปตามเหตุการณ์นั้นๆอันนี้คือเป็นภาษาใจถ้าจะว่าไปและให้เป็นภาษาใจของตนเองแต่เราก็ไม่ควรจะพูดให้แก่ใครฟัง เป็นเสียแต่อย่างหลวงพ่อขึ้นทำ ม, มาศก็เออเอาพูดให้แก่คณะกรรมกาญาติโยมฟังแต่ภาษาใจของตอนเองแล้วหลวงพ่อเองก็นึกในใจว่าหลวงพ่อยินเลยถึงเธอจะรับถึงเจ้าจะรับคิดสอบเป็นสมภารถึงจะมาพูดในที่สาธารณะให้แก่ใครใครฟังหรือเป็นที่นับถือหรือเป็นที่ยกย่องแต่บางกลุ่มบางหมู่บางคณะ เอ่อหรือว่าเราทำหน้าที่ดีที่สุดช่วยเหลือชุมชนสังคมลหลายด้านแต่ถึงยังไงในใจของท่านนั้นต้องท่านต้องคิดไปอยู่เสมอนะชีวิตของเราเนี่ยเป๊ะไม่ไม่เสี่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งทั้งหมดขนาดร่างกายของเราเราก็จะต้องถูกเผาไฟอยู่แล้วไม่ต้องคิดถึงไม่ต้องคิดว่าวัดว า, าศาสนาศรัท ธ, ธาญาติโยมยศชื่อเสียง ลาภยศสารเสรื่อมุขอะไรออกไปด้วยไม่ได้ทางนั้นร่างกายของเราก็จะทิ้งอยู่แล้วเราจะไปให้ความสําคัญสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นะอันนี้คือภาษาใจแต่ภาษาข้างนอกนั้นเราทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเรามีหน้าที่อย่างไรเราต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดอย่าให้ขาดตกบกพร่องแต่ภาษาใจของตนเองเป็นภาษาใจส่วนตัวแล้วเราต้องคิดไว้ในใจอย่างนั้นไว้เสมอว่า ข้าพเจ้าจะต้องหนีจากโลกแน่นอนไม่ต้องสงสัยไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะฉนั้นข้าพเจ้าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอะอันนี้คือภาษาใจเพราะฉะนั้นอยากจะให้ศรัทธาญาติโยมทุกๆท่านคิดไว้ในใจอย่างนั้นอยู่เสมอว่าชีวิตของพวกเราอีกสักวันหนึ่งจะต้องจากไปแน่นอนที่พวกเรามาเกิดในโลกนี้โยมมาโทษเขาเขียนวีซ่าไว้แล้ว บอกวีซา่าเอาเขียนวีซ่าไปแล้ววันดีคืนดีเขาก็ส่งมาใ ห, ให้พวกเราอย่างท่านร อ, องวีนี่ท่านได้รับวีซ่าแล้วเนี่ยพวกเราก็มาส่งขึ้นเครื่องละ อ, อีกสักวันอีกไม่นานาพวกเราก็จะส่งขึ้นเครื่องท่านก็ไปตามลำพังของท่านแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราให้เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พราะพรุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์อยู่ในป่าและท่านอยู่ในเวียงวงังแต่ท่านเห็นความเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บคนเห็นคนตายจากนั้นท่านก็ได้ออกไปบวชอยู่ในป่าศึกษาโยหกปีลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดในการค้นคว้าของท่านพอวันเดือนหกเพลนท่านก็ประสบสูตรสําเร็จคือท่านได้นั่งสมาธิทําจิตให้เป็นหนึ่ง คือทั่งนั่งที่โครนต้นโพขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตของพระองค์ใจของ อ, องค์ผู้รู้ของพระองค์รวมเป็นหนึ่งจิตเข้เขาสู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิดญานทัศนะและลึกชาติผลหลังได้คือพอจิตสงบแล้วน้อมจิตลําลึกถึงชาติผลหลังปุเพเนวาสานุสติญาณและลึกชาติผลหลังได้ กว่าะนั้นพวกเราศรัทธาญาติโยมทุกๆคนทุกท่านนะตายแล้วไม่สูญเพราะพระพุทธเจ้าพิสูจน์มาแล้วว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนสิ่งที่ให้ทําให้เกิดนั่นคือวิญญาณคือใจแต่ส่วนร่างกายที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นอยู่เนี่ยต้องแตกสลายตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นคือร่างกายของพวกเราเนี่ถ้าจะว่าไปแล้วคนเรามีอยู่สองอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่สอง คือรูปธรรมรูปธรรมคือร่างกายแต่นามธรรมนั้นคือจิตใจจิตใจนั้นคืออะไรตัว ร, รู้ความรู้ความรู้สึกนั่นแหละคือใจถ้าแตกตายก็คือร่างกายถ้าสีดินน้ำลมไฟเนี่แตกสลายตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นทุกคนก็ต้องถึงจุดจบอย่างที่ลองบินเป็นตัวอย่างอีกสักวันหนึ่งก็คงจะมีหลายๆท่าน เ, เดินตามหลังกันไปเรื่อยๆแต่ว่าถึงยังไง ใจคือตัวผู้รู้คือนามธรรมตัวนั้นนะ่ะเมื่อออกจากร่างนี้แล้วก็ไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆตายแล้วไม่สูนดวงวิญญาณไม่สูนได้จะเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือร่างกายเหมือนกับรถนามธรรมคือตัวผู้รู้คือเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถไม่ใช่อเดียวกันแยกกันอยู่แต่อาศัยกันรถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับรถ ถ้ามีแต่คนขับรถไม่มีรถก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นร่างกายนี่รถนั่นต้องแตกตายสลายหมดอายุแต่ดวงวิญญาณ น, นั้นไม่หมดอายุเพราะฉะนั้นให้พวกศรัทธาญาติโยมทุกทุกท่านให้ยึดตัวนี้เอาไว้ว่าคนเราเกิดมาแล้วตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีกเพราะฉะนั้นในหลักของพระ พ, พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไปพิสูจน์อยู่ในปาน่าโรงพงไพรตั้งหกปี จากนั้นพอถึงตอนหัวค่ําท่านนั่งภาวนาจิตเข้าสู่ความสงบเัี่ยวดุเพในวาสานุสติยานพอถึงเที่ยงคืนท่านก็ภาวนาทําจิตให้สงบลงไปอีกนิ่งลงไปอีกท่านเห็นระวัางจุดตูปปาตายานการจติของการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายพวกเรามาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่และออกจากที่นี่แล้วจะไปเกิดที่ไหนอันนี้ขอพระพุทธเจ้าท่านรู้อีกเยี่ยวดุตูปปาตายาน แล้วกว็าอาสาวะขยะยานพอจวนสว่างพระพุทธเจ้าท่านได้พิจารณาเห็นปฏิจจสมุปบาทคืออวิชชาปัจจะยาสร้งางฆราสร้งางฆราปัจจยาวิญญาณังคือวิญญาณนี่มาจากไหนคือตัวผู้รู้รนี่ที่มันเวียนว่ายตายเกิดที่มันมาจากไหนมาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้เพราะนั้นพระพุทธองค์จึงใช้ตปธรรมคือศินสมาธิปัญญาคือมรรคแปดเข้าไปหงุงเข้าไปถลุง หรือเข้าไปต้มเออเข้าไปทําให้เชื้อคือจิตใจคืดพาให้ตัวพาเกิดนั่นแนหะให้หมดเชื้อหมดเชื้อนั่นคืออะไรคือกิเลสราคาโทสะโมหะถ้ายังมีกิเลสราคาโทสะโมหะอยู่ใจดวงนี้ก็จะต้องไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้เพราะฉนั้นพระพุทธองค์จึงได้ใช้ต่ปัตธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเข้าไปกลั่นกรองออใจดวงนั้นจนหมดเชื้อ ในเมื่อหมดเชื้อแล้วพระ พ, พุทธองค์ก็รู้ได้ด้วยพระองค์เองว่าอาสาวกขยญ า, านยานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสแล้วไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกต่อไปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วนี่แหละพระพุทธองค์ท่านได้ตัดสู้ธรรมสมอย่างในวันเดือน6เพลนนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายสัตยาญาิโยมทุกท่านให้ฟังเอาไว้ให้ศึกษาเอาไว้ว่าในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นตายแล้วไม่สูง ตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้เกิดนั่นก็คือวิญญาณคือใจอถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนก็นในร่างกายของเราเนี่ร่างกายของเราท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับกายยนครคําว่า น, นครก็คือเป็นประเทศหนึ่งน ะ, เ, ะเป็นประเทศหนึ่งที่ว่ากายยนครคือกายในร่างกายเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งแต่เมืองครองเมืองนั่นคือพระญาจิตรราช พญาจิตรราชเนะี่ยคือใจทองเมืองตัวนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วใจก็ต้องดูแลจะต้องรักษาจะต้องประคองประงมอย่างดีแต่ทีนี้มีพญามัจจุราชพยามัจจุราชคือความตายตามเข้ามาแต่ทีเพื่อจะมาแย่งชิงกับพยาจิตรราชก็ส่งทหารเข้ามาส่งทหารคือเข้ามาคืออะไรส่งความแก่ความเจ็บความตายเข้ามา ลบกวนร่างกายของพวกเราพญามจุฬาส่งทหารเข้ามาส่งเข้ามาตีทางตาตาฝ้าตาฝ า, างทหารตีเข้ามาทางตาตีเข้ามาทางหูหูหนวกหูตึงว่าไงต่ะตีเข้ามาทางปากกับฟันล่วงฟันหลุดฟันล่วงพญาทหารพญามจุราส่ง ท, ทาหารเข้ามาและจะตีเข้ามาทางผิวหนังผิวหนังเหี่ยวหลังหนังย่นเมื่ออายุแก่เข้ามาแล้ว อันนี้แหละทหารของพญามัจยุราชมีทหารกลุ่มทั้งแก่ทั้งเจ็บที่มาตีแย่งกายยนอรอส่วนพญากิตรราชเนี่ยก็เอาทหารออกไปสู้เหมือนกันหน่วยอะไรหน่วยเพสัตแตงั้นเถอะหน่วยเพสัตหน่วยยาหน่วยโอสดหน่วยโอสถหน่วยเพสัตออกไปสู้กับทหารพญามัจยุราชแต่ถึงยังไงก็สู้ไม่ไหว เพราะว่าทหารพยามัจุราชนีแข็งแกร่งกว่าทั้งกลางค่ํากลางคืนหลับตื่นพยามัจุราชก็พยายามหลุมต่อยตีอยู่ตลอดเว ล, เวลาส่วนพยาโอสถกับขุนพลโอสถกับขุนพลเพษัสนี่สู้เป็นบางครั้งบางคราวเท่าเองผลที่สุดก็ต้องยอมแพ้ยอมแพ้ให้แก่พัฒพยามัจุราชเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะอย่างที่หลวงพ่อได้ยกบาลีขึ้น เบื้องต้นว่าถึงพวกเราจะไปอยู่ในอากาศอยู่ในกลางมหาสมุทรทะเลหรือจะไปอยู่ในหลืบเขาที่ไหนก็ตามไม่พ้นความตายความตายตัวนี้อยู่กับพวกเราทุกๆคนอย่างคนบรัรโบราณเขาทําเป็นเขาแสดงเป็นเรื่องนิทานขึ้นมาก็าน่าคิดของเขานะเขาว่าพญาเมืองหนึ่งไงพญาเมืองหนึ่ง แต่มีโหรโหรทานายแม่นมากเพรหมือนกันเถอะโหรทานายได้แม่นมากเขาเขาบอกว่านี่นะพระเจ้าแผ่นดินท่านหมดอายุแล้วนะแต่ท่านจะต้องตายแล้วแต่ท่านจะต้องหมดอายุแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ยอมแพ้อ้าวแล้วจะตายแล้วจะทําไงบอกพญามัจจุราชจะมากระชากชีวิตของท่านและท่านจะต้องไปตาม บัญชาของพญามัจจุราชอ้าวถ้าเขาจะมาเมื่อไหรมาวันเมื่อวันที่เท่านั้นเขาว่าเออเอาถ้าอย่างนั้นก็เอาเราใส่หีบไปถ่วงน้ําเอาไว้ก็แล้วกันเพื่อไม่ให้พยามัจจุราชมองเห็นว่างั้นเถอะพวกเสนาอํามาตย์ทั้งหลายก็ทําหีบหลงเชอย่างดีว่างั้นเถอจากนั้นก็เอาพระเจ้าเป็นดินลงไปกัเป็นนอนในหีบเพื่อไม่ให้พยามัจจุราชเห็นว่างั้นเถะ ตอ้พอเอาลงไปแต่ที่เขากปล่อยต่อท่อขึ้นมาให้ต่อท่อขึ้นมาให้มันอยู่ในฝั่งเหมือนกับเครือเขาเทาวันเหมือนกับท่อน้ําของเราลักษณะอย่างนั้นน่ะปล่อยขึ้นมาในฝั่งไว้กัน้นเถอะแต่ทีนี้ก็พระยามัจโจราชก็มาหาไปหามาหาปลาหาไปเอ้มันไปไหนวะพระเจ้าแผ่นดินนี่เราจะมาเอาไปแล้วนี่ทําไมมันหายไปไหนวะพอเดินไปเดินมา สายท่ออากาศนั่นะข้องขาพยามัจจุราชแบงนั้นเถอะเออมันไปที่ไหนมันก็ค้องอยู่งั้นน่ะพยามัจจุราชมันเครือเขาทําไมมันยี่ลงตรงนางแถวนี้วะมันเลยกับชาติตอนนา้นนี่พ่อกับชาติต่นนั้นพยาพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในหีบอยู่ใต้น้ํำใจขาดตายแบบนั้นเถอะเพราะนั้นจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นตายแบบนั้นสรุปแล้วอถึงจะอยู่ใต้น้ากว่าพยามัจจุราชก็ยังกระชากชีวิตออกออกให้หลุดลอยไปได้ วันนั้นในพวกคณะสัตย า, าติโยมทุกท่านนะถึงอย่างไงก็ตามคําว่าตายและไม่สูญคํานี้แหละให้พวกเราประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ในหลักของพระุทธาศาสนาว่าพวกเราถึงจะอย่างไงก็ตามถ้าว่าพวกเราจะต้องเกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ถึงจะเกิดพบหน้าชาติหน้าผู้ที่ทําบุญทําบุญทําทานคนที่ยินดีในการทําทาน เสียสละคือเขาลบพ่อแม่ครูบาอาจารย์สร้าง ท, าท้าวววัตถุทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาคนคนนั้นอันนี้สงทานจะคุ้มครองเกิดพบหน้าชาติหน้าไม่อดไม่อยากแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เกิดพบหน้าชาติหน้าจะเป็นผู้อดอยากนะ้ออันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วอันนี้สงสีนก็เหมือนกันที่หลวงพ่อได้กล่าว ไว้เบื้องต้นว่าถ้าว่าผู้ใดชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเกิดพบหน้าชาติหน้าชีวิตเขาจะสั้นตายเร็วถ้าว่าไม่ถึงกับตายเร็วแต่ว่าอชอบรังแกสัตว์ชอบเบียดเบียนสัตว์ร่างกายจะทุกข์ลภาพเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยอันนี้ก็คือศิลข้ อ, อที่หนึ่งข้อที่2องอถ้าหาว่าพวกเราขโมยชอบขโมยสิ่งของคนอื่นเขาถ้าเราไปเอาวางสิ่งของไว้ในพบหน้าชาติหน้านะ แต่เรามีพบมีชาติขึ้นมาคนก็มาขโมยสิ่งของของเราไปเขาจะไม่เคารพสิทธิ์ของเราสินขาดข้อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้คือคุ้มครองในชาตินี้และชาติหน้าเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ให้สั่งสมุญกุศลเอาไว้จึงพระพุทธในหลักของพุทธศาสนาว่าปุญญาณิปรโลกสมิงปฏิทถาโหนติปานินังบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้ อาตมาภาพได้แสดงธรรมให้แก่ศรัทธาญาติโยมเห็นว่าการแสดงธรรมในวันนี้ก็ในพระบาลีที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นแปลเป็นความหมายก็ว่าจะอยู่ในอากาศจะอยู่ในกลางมหาสมุทรจะเข้าไปสู่ในหลืบเขาก็ไม่พ้นจากความตายประเทศคือความตายไปไม่ถึงนั้นไม่มีคือความตายนันไปถึงทุกแห่งคน แต่ว่าโอ้อยู่เมืองไทยนี่ตายไปเราจะไปอยู่อเมริกาพัญญามัจจุราชก็ยังตามไปถึงอยู่งี้ยเออเดีวก็อยู่ที่ไหนประญามัจจุราชตามถึงทั้งหมดเพราะนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามในหลักของพุท ธ, ธะนี่พระพุทธเจ้ามาตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกเพราะฉะนั้นเอาเถอะเอมื่อร่างกายนี่มันแก่เท่าชราแล้วก็จะทํำยังไงได้เราจะอยู่ไปก็ยิ่งแก่ไปเรื่อยแน่ก็เปลี่ยนเพราะเปลี่ยนชาติชะ แต่การที่จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาตินะเราควรจะสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราถึงเราจะไปนเกิดนักสถานที่ใดบุญกุศลเป็นเครื่องเคื่อง ค, คุหนุนแล้วเกิดพบหน้าชาติหน้าก็มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความผาสุขแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีบุญไม่มีกุศลพาไปแล้วพวกเราจะมีแต่ความทุกข์ยากลําบากทุกข์ใจไปเกิดพบหน้าชาติหน้าก็ ไปเกิดในสถานที่กันดานเผอๆจะไปเกิดนู่นแถวอะไรที่แอฟริกองเอเมริกาเป็นยังไง ห, หัวโต ว, ตวท้องใหญ่ๆลำบากเหมือนกันนะเพราะนั้นพวกเราเกิดในพื้นแผ่นดินไทยหลวงพ่อว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดปฏิรูประเทสวาโซจะอยู่ในประเทศอันสมควรปุพเพจากระตะบุญจะตาย พวกเราได้ทําบุญไว้ในอดีตจึงมาเกิดในสถานที่แห่งนี้นปุเพจะกตะพุญญาตาพวกเราคงได้สั่งสมบุญกุศลในอดีตจึงได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยอัตตะสัมมาปณิธิถ้าคำว่าพวกเราตั้งตนไว้ไม่ชอบเกิดมาแล้วก็ประมอาจไม่เชื่อในบาปไม่เชื่อในบุญแล้วก็ทําตามตนเองต้องการกินเหล้าเมายาอะไรสัมเเลเทเมาไม่ได้สั่งสมบุญกุศลถ้าคว่าพวกเราตั้งตนไว้ไม่ชอบ เกิดพบหน้าชาติหน้าอาจจะเสียท่าเสียทีอาจจะเกิดเป็นหมูหมากาไก่ก็ได้เพราะพวกเราตั้งตนไว้ไม่ชอบเพราะฉะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านจตหายาโยม ท, ท, ทุกคนนะได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้สังสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจเอาไว้ตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลุงพ่อได้กล่าวได้พูดแต่ว่าเราไม่เชื่อหรือว่าจะพิสูจน์ยังไงจะพิสูจน์ยังไงถึงจะรู้ได้ พราะพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สังวรได้กระสิทธ์นะท่านก็บอกว่าวิาวธีการพิสูจน์นั่นก็คือนั่งสมาธิภาวนานั่งสมาธิแทนคืออะไรขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติในลมหายใจเข้าออกนั้นเมื่อมีสติเต็มที่แล้วจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วให้น้อมจิตนําลึก ดูในอดีตชาติของตัเองก็ได้หรือจิตสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตใจนั้นเป็นอันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันแต่ส่วนธาตุสี่คือร่างกายดินน้ําลมไปนั้นแตกสลายตายแน่นอนแต่ดวงวิญญาณนั้นไม่ตายไม่สูญเพราะฉะนั้นให้พวกเราพิสูจน์ได้นะนวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติเพียงเท่านี้ ด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนาใจพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเกื้อกูลหนุนท่านลองวินที่ท่านมรณะภาพดวงวิญญาณสิงสถิตยอยู่ณถิ่นใดขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ไดมาร่วมกันทําบุญในวันนี้ขอให้มีดวงวิญญาณประสบแต่ความสุขความเย็นใจและก็พร้อมกันพวกเรา ท, ทุกท่านที่มาร่วม ในงานสดในวันนี้ก็ขอให้พวกเราเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขาภาระปฏิพานธนสารสมบัติปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมากปราถนาทุกประการเทิน